อันดับตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจฟังและก็ตั้งใจทำความสงบให้พร้อมไปกับการฟังไปด้วยกันเพื่อเป็นการสะดวกในการปฏิบัติ าที่เราจะปผีตัวออกไปปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> มันเป็นของที่ทำได้ยากเป็นของที่ลำบากที่เราจะมีโอกาสไปเราจึงมาอาศัยการฟังแล้วก็จัดเป็นพิธีกรรมขึ้นแล้วก็นัดหมายกันมาประชุมกันตามวันเวลา เหมือนกับวันนี้ล่ะเราก็ได้พร้อมกันมาแล้วก็ได้นัดหมายกันมาเพื่อฟังธรรมที่นี่การฟังของเราเราก็อาศัยการปฏิบัติไปด้วยคําว่าการปฏิบัติเราจะทํายังไงที่ว่าปฏิบัติ ทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าวิธีกรรมต่างๆที่เราจะคนนำมากระทำนับตั้งแต่ ว, ว่ายพระสวดมนต์หรือเดินจงกรมหรือทำอะไรในวิธีกรรมนั้นล่ะต่างๆนั้นอ่ะเขาก็ถือว่าการปฏิบัติคืออย่างนั้น ที่นี้การปฏิบัติมันไม่ใช่เฉพาะแต่ที่จะทำอย่างนั้นอันนั้นมเป็นพิธีกรรมเป็นาศนาสนพธิธีที่นี่มุ่งการปฏิบัติจริงๆนะเขาไม่ได้มุ่งในพิธีกรรมอย่างนั้นมากเขามุ่งประเด็นในทางความสงบนะเป็นส่วนมาก ที่นความสงบนั้นน่ะมันควรจะทำอย่างไร่ะในความสงบแล้วมันจ ะ, จะเกิดขึ้นถ้าเราไปทำอย่างนั้นหลักของความสงบนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มีแต่พิธีกรรมต่าง ก็ได้แต่คำพิธีกรรมแต่พอเป็นกิจยาแห่งความเป็นกุศลแต่สำหรับความสงบที่จะเกิดขึ้นนั้นเรานต้องฟังไปด้วยและก็กำหนดจิตไปด้วยจิตของเรามันอยู่ตรงไหนล่ะ ให้เราทราบว่าจิตของเรามันอยู่ตรงไหนและอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรับทราบจิตของเรามันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันไม่ใช่อยู่นอกตัวมันก็อยู่ในตัวเราทุกคนนะ่ะตัวก็คืออะไรตัวก็คือร่างกายนะ่ะ คูแล้วก็เรียกว่าอยู่ในร่างกายเนี่ยทุกค น, นที่นีนมันอยู่อย่างไงเห็นจิตอยู่อย่างไงคืออะไรเป็นจิตก็สภาพที่รู้เนี่ยที่ม่อยู่ภายในอยู่ในร่างเราเนี่ยที่เรียกว่าจิตที่เรียกว่าใจเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้รู้ ก็ท่านผู้รู้นี่แ่ละซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายน่ะซึ่งอยู่ภายในร่างกายที่นี่เราจะเอาความสงบเอาใครสงบจนสองอย่างนี่แหละที่สงบแท้จะเราต้องการส่วนร่างกายของเรามันก็ดสงบแล้วเนี่ย คือเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราพักแล้วงานการอะไรเราก็ไม่ได้ทำส่วนวาจาของเราก็สงบแล้วคือเราก็เลิกพูดแล้ว เ, เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราระงับและเราเลิกเราพักหมดแล้วความสงบสองอย่างนี่ซึ่งเรียกว่าสันติภายนอก ความสงบอันนี้มันมีและมันทำได้ง่ายแต่ผลนะมันยังไม่เกิดพระพุทธเจ้ายังไม่รับรองว่าผลจะเกิดเพราะสิ่งนี้ที่จะนำประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่ตัวเองแต่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะท่านต้องการความสงบภายใน เรียกว่าสันติภายในก็ได้ใจใจนะ่ะทีนี้เราจะทำยังไงละ่ะที่จะทำใจของเราให้สงบไดนะ้พร้อมไปด้วยการฟังนะเราจะทำยังไงถ้าเราจะมัวแต่มา นกมาคิดมาปรุงมาแต่งตามเรื่องตามเราตามเหตุการณ์อะไรต่างๆและมักจะสร้างปัญหาขึ้นให้ตัวเองที่นี้เราจะไปเอาความสงบโดยลักษณะนั้นมันก็เป็นไปได้ยากความสงบนั้นมันไม่ได้เป็นไปในทาง นกคิดแล้วปรุงแต่งความสงบนั้นเขาพักพักในการปรุงการแต่งพักในการสร้างปัญหาพักในการที่ใข้ควรอะไรต่างๆให้มีเฉพาะตัวรู้ตัวเดียวนะ่ะรู้โดยที่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรต่างๆไม่ต้องเกี่ยว รู้กับสิ่งที่เราจะยึดว่าเป็นอารมณ์ของสมถะอันที่จะนำให้เราเกิดซึ่งความสงบนั่นแะอย่างเรามากำหนดลมอันเบื้องต้นก็กำหนดลมอันท่อนที่สองเราก็บริกรรมก็บบริกรรมตามลมนั่นแหละหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนนั่น นี่เราเรียกว่าบริกรัมที่นี่เราก็รู้จำกัดนะรู้จำกัดถ้าว่าพุทธทกับพัตถนะุนั้นให้ยึดเอาวัตถุเจนะ้าเป็นหลักคือให้เอาอย่างเดียวการปรการปรุงแต่งในปัญหาต่างๆทึ่มันจะเกิดขึ้นนะกับโลก เราก็พักไว้ก่อนเราเอาเฉพาะตัวรู้เนี่ยะคือเอาความสงบซะก่อนเถอะที่ในส่วนความรู้ของพวกเราเน่ยก็พูดกันแล้วนะว่าเรารู้แล้วนะจะเป็นธรรมะข้อไหนก็ตามหมดไหนก็ตามเราก็รู้กันแล้วเนี่ย ก็พอเข้าใจกันอยู่บ้างแล้วผลลัพธ์มันอยู่ตรงไหนที่ไหนความรู้อันนั้นมันก็ยังไม่มีอีกถ้ามันมีผลลัพธ์เพราะความรู้อย่างที่เรารู้มาเ น, นี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําอย่างนี้อีกและไม่จําเป็นจะต้องมาฟังไม่จําเป็นจะต้องมาปฏิบัติ เรายังมาปฏิบัติอยู่การปฏิบัติอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังผลมันก็ยังไม่เกิดจนมาผลของการปฏิบัติที่มันจะเกิดเนี่ยผลของการปฏิบัตินะมันจะทํำยังไงล่ะอะไรมันเกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติ ก็นอกเหนือไปจากความสงบละ่ะมันจะมีอะไรความพินิจพิจรารณาหรือการปรุงการแต่งนั้นแหะมันเป็นผลของความรู้ที่เรารู้มาแล้วเอามาไข้ควรเฉยๆแล้วผลนับแทนที่จะนำความสุขมาให้ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมีเจเฟ้์ ความชิดของตัวเองพุ่งเพอไปหมดที่นีนจะหาความสุขอะไรก็ไม่ได้หาความสุขก็ไม่มีเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะมันปุงปุงแต่งมากขพเพราะมันเฟอนองน่ะที่นี้มันก็แห้งใจสิมันก็ร้อนใจสิใจมันก็เหี่ยวแห้ง ที่นี่เราจะไปเอาความสุขตรงไหนล่ะมันก็ไม่มีถ้าเรามาทำความสงบนั่นอ่ะให้วังเกิดขึ้นนะแต่ลองดูซิล่ ะ, ลละจะสงบน้อยก็าตามเถอะผลจะเกิดขึ้นทันทีล่ะคือเราเอาผลอ่ะเดี๋ยวนี้เราหาผ ล, ล่ะ เหตุของเรามันมีแล้วอะที่นี่เราจะหาผลผลที่มันจะเกิดขึ้นจากเหตุนั้นนะ ม, น ม, นนมนันมันอยู่ตรงไหนอะไรความสงบนั้นมันอยู่ตรงไหนอันที่มันเป็นผลของเหตุ น, นที่เราหากันอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะ เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องการกระทำของตัวเองนะอย่าไปเมาแต่คิดว่ามันเป็นของเมาอะเมาคิดเมาเนกเมาปรุงเมาแต่งแล้วพูดไปตามความคิดมันก็ไม่รู้จักหยุดอีกล่ะ แล้วทําไปตามความคิดแล้วใครจะไปทําไหวละ่ะมันทําไม่ไหวนะเดีย๋ยวไปพูดตามความคิดคิดอะไรก็คิดว่าตัวเองจะถูกไปหมดแล้วก็พูดอะไรก็คิดว่ามันจะถูกไปหมดทีนี้ไอ้ความสงบแล้วมันอยู่ตรงไหนทีนี้ทีนี้มันไม่ได้ตามความควานสงบเลยมันก็ไปตามความคิดนะ ควรจะสำนึกกันบ้างในเรื่องคำที่เราจะพูดหรือจะทำก่อนจะทำท่านกับว่ามีสติยรากาลังพูดต้องมีสติต้องมีสำนึกสัญญะควรหรือไม่ควรมันก็มีที่ท่านห้ามอย่างนี้เพราะอะไรท่านให้รู้อย่างนี้เพราะอะไร เพราะต้องการความสงบนั่นแ่ะเพราะยังความสงบให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากจิตเรานั่นทำจิตของเราให้สงบนั่นแะเมื่อจิตของเราวันมีความสงบล่ะลองดูที่ว่าความสุขมันจะมีไหมผลมันจะมีไหมลองดูสิ ที่นี้เราก็คอยแต่จะความคิดน่ะคอยแต่ใช้ความคิดอยู่ตลอดที่นี่คอยจะให้คนอื่นช่วยเข้าไปหนุนความสุขไอ้มันเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองก็คิดอยู่แล้วจใจคนอื่นเขาไปช่วยหนุนที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นจากความคิดของเรา ซึ่งจิดของเรากำลังที่จะคิดอยู่แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงใครจะไปสนับสนุนหรือใครจะไปหนุนได้ถ้าตัวเองไม่ทำให้มันสงบร่ะก็เมื่อความสงบมันเกิดขึ้ น, นด้วยการระงับด้วยสติ ที่เราจะนำเอามาใชา้และสัมพัญญะาที่เราจะนำเอามาใช้เนี่ยก็มีทำสองอย่างนี้ เ, เป็นอุปการะที่จะทำจิตของเราที่จะให้มีความสงบจังมันเป็นสมาธิได้่จะทำสองอย่างเราก็เอามาใช้ทีนะก็ตั้งเอาไว้น่ะนะ ถ้าว่าพุทธโธก็อยูก่กับพุทธโธน่ะแต่อย่าไปสับสนี่แล้วก็อย่าไปหลายสำนักเดี๋ยวก็ติดสำนักนั้นเดี๋ยวก็ติดสำนักนี่เดี๋ยวก็สำนักนั่นว่าจยางนั้นสำนักนี่ว่าอย่างนี้เลยมันมีสำนักเดียวนั่นล่ะ พญายิโกน้อมเข้ามาสํานักเดียวเนี่ยก็สํานักอยู่ในถนะํากลางหน้าอกเราเนี่ยเรียกว่าสมมาถานสมถามันตั้งอยู่ตรงไหนละ่ะสํานักไหนล่ะก็ตั้งอยู่ในสํานักตัวเองเนี่ยก็วิปัสสนาก็ตั้งอยู่่ตรงนี้ละ่ะตั้งอยู่ในสํานักตัวเองเนี่ย แต่สำนักเดียวนี่นะก็จะไปหลายสำนักที่ละที่นี่มันหลายสำนักนี่มันเลยไม่ได้อะไรกันอยู่เดี๋ยวนี้นะกลางก็มีกันสำนักหลายสำนักไม่รู้ว่าจะเอาสำนักไหนและ้ะเอาลงตรงไหนถ้าลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไร และอะไรมันจะเกิดขึ้นในในตรงนั้นในสำนักนั้นเนี่ยที่ได้มามากๆก็ไม่รู้ก็โดยมากก็มักจะไปเอาแต่สำนักภายนอกไอ้สำนักภายในเนะีนะ่ะที่มันมีอยู่กับตัวเองทำไมไม่พากันรักษานะทำไมไม่พากันดูแล และทำไมไม่พากันเอาล่ะทำไมไม่พากันกำหนดล่ะก็กำหนดรงสํานักนี่สิลนะ่ะ ส, นสานักสมาธา์นี่กรรมฐานนี่และวิปัสสนากรรมฐานมันอยู่ตรงไหนล่ะมันจะไปอยู่นอกตัวของเราหรือมันอยู่ในทรรมกลางในอกเรานี่นะ อยทํากลางทรงอกของเราเนี่ยมันจะไปอยู่อะไรนอกเหรอถ้าไปอยู่ข้างนอกเราก็ไม่จําเป็นจะมานั่งบริกรรมหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกสิถ้ามันอยู่ข้างนอกเราก็เดินไปเอาสเสียทีละแล้วก็ขี่รถไปเอาสเสีทํามันมีอยู่ตรงไหนนะ่ถ้ามันมีอยู่ในสํานักไหนก็ขี่รถไปเอาเสียนะเอาแล้วก็เอามาแล้วก็เลี้ยวไปที่ไม่ต้องมา ท, ำทํำสิ ที่นี่มันไม่มีที่ได้อย่างนั้นนะเราก็เอาแต่สำนักนอกแต่สำนักในเนี่ยมันมีหมดนั่นแหะฌานจะมีกี่ฌานก็อยู่ในตรงนี้แหละสมาบัติแปดก็อยู่ในนี่แหละยานมันก็อยู่ในนี้แหละ อะไรก็อยู่ในนี่หมดว่าแต่เข้าไปดูเท่านั้นอนะ่ะที่นี่เราไม่ค่อยเข้าไปจัิงๆก็มีแต่หาข้างนอก น, นะที่นี่เราก็ไปอ้างแต่ว่าความวุ่นวายเนะี่ยของโลกแนละ้วก็เอานี่เรามาอ้างเราก็รู้กันทุกคนใครก็รู้คนทั้ว่าโลกมันก็วุ่นวายเนี่ยนะกนะ็รู้ว่าวุ่นวายแนละ้วก็ไปจะไปทำทำไมนะ่ะ ก็ปล่อยไปตามโลกเ ส, สียสิในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็เอาปฏิเอาธรรมะซะก่อนที่ละโลกมันก็เป็นโลกนั่นแ่ะก็รู้อยู่แล้วโลกมันวุ่นวายนะแต่เราจะตัดกระแสะโลกคือตัดกระแสะความวุ่นวายนะเราจะเข้าไปติดในอารมณ์อันที่เราได้ยิ น, นได้เห็นแล้วกว็ดี ได้ฟังแล้วก็ดีได้ทราบแล้วก็ดีฉะนั้นนี่มุนีท่านไม่ได้ติดในอารมณ์ทั้งที่ท่านก็อยู่ในโลกนั่นล่ะในขณะที่ท่านยังไม่ปรนนิพพานนะท่านก็ยังอยู่ในโลกนั่นแต่กิเลสนิพพานท่านกิเลสนิพพานอ น, นิพพานแล้วแต่ขันธ น, นิพพา น, น, นมันยังอยู่ แต่ท่านก็ยังอยู่ได้ก็อยู่กับโลกนั่นแนะ่ะถึงโลกจะวุ่นวายแต่ท่านก็ยังสงบพนระพรนะโมนีคือที่พูดสิณ น, นาสวานพระโมนนะีไม่เข้าไปติดในอารมณ์อันที่เห็นแล้วก็ดีอันที่ได้ฟังแล้วก็ดี ที่ทราบแล้วก็ดีที่นี่เราจะทำยังไงนะตาเราก็ไปเห็นมาแล้วหูเราก็ไปได้ยินมาแล้วและเราก็ทราบเรื่องอะไรต่างๆมาแล้วแทนที่จะทิ้งเอาไว้นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันก็เลยติดเป็นอารมณ์มา เ, เดี๋ยวก็ว่าตรงนั่นเดี๋ยวก็ว่าตรงนี้ ทีนี้มันก็ติดที่นที่นี่มันจะไปสงบตรงไหนเนาะก็วางไว้เท่ากันใช่หรืออย่าเอามาพูดมากกว่าเรื่องของคนอื่นที่เขาไม่รู้ด้วยเราก็อย่าไปพูดอะไรให้มันมากถ้ามันเป็นอารมณ์มันแก้ไขยากแทนที่เราจะนําความสงบมาให้กัน ที่เรามาทําความสงบแล้วก็กลับไปเอาความวุ่นวายมาให้กันที่ไม่รู้ว่าความสงบมันจะอยู่ตรงไหนและเมื่อใดมันจะได้เนยทกลงก็เลยมีแต่ปฏิเสธว่ามันจะไปได้อย่างไรมันจะเป็นไปได้หรือเนี่ยก็ไปกันนู่นก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ตัวเองก็ยังมาทําแล้วก็ยังพากันทําอยู่ แสดงว่ามันต้องได้สิเนหะมันต้องมีส่วนได้ที่จึงได้พากันทำถ้าไม่ได้เราจะมาทำทำไมความคชดของพวกเราเราก็คิดชว่ามันจะได้ก็จึงได้พากันมาทำแต่ทำก็ให้เข้าใจกันบ้างสินะ อย่านำเอาเรื่องต่างๆนั่นน่ะเข้ามาบรบกวนความสงบของตัวเองและคนอื่นกันบ้างกันเะบ้างเราพยายามที่จะต้องแก้ไขปัญหาช่วยกันนั่นนะพยายามนำความสงบเข้ามาอย่างไรที่มันจะสงบได้นั่นนะให้หามาเถอะ อารมณ์อะไรที่มันเป็นไปเพื่อความเยกเย็นอารมณ์ใดอันที่มันเป็นไปเพื่อความสงบนั้นให้หามาให้เอามารวมกันเถอะที่นี้พวกเราจะคอยไปไหนจะเนี่ยจะคอยกันไปถึงไหนคอยวันคอยคืนไปถึงไหนชีวิตของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรับรองกันแล้วหรือ ว่ามันจะไปถึงไหนและไปถึงจุดนั้นมันจึงจะได้และไปถึงสถานที่ตรงนั้นจึงจะได้และจะไปถึงอายุเท่านั้นมันจึงจะได้นะมันมีกำหนดหมายแล้วหรือทำไมถึงจะพากันเพลิดเพลินทำไมถึงจะพากันมัวเมาจนเกินไปและจะคอยวันคอยคืนโลกเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วเนี่ย ความสงบนั่นน่ะก็ทำตามโลกไปเท่านั้นน่ะก็แสงแสงกันไปบ้างมันพอจะได้ก็ให้มันได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเราเอาความสงบไปเท่านั้นล่ะก็คิดว่าความสงบ น, นจะพูดอะไรไม่ได้มันก็ไม่ใช่ล่ะคิดว่าความสงบจะทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ใช่ ให้มันสงบดูซิว่ามันจะทําได้ไหมให้มันสงบดูสิว่ามันจะพูดได้ไหมอันนี้ละมันมาหาความสงบอะไรไม่มีในตัวของตัวเองเล ย, เยถ้ามาแล้วก็มีจะพากันชิดเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดีเ๋ยวก็เรื่องนี่เดี๋ยวก็เรื่องคนนัตเดี๋ยวก็เรื่องคนนี่น เดี๋ยวก็คนเกิดเดี๋ยวก็คนตายเดี๋ยวก็คนเป็นเดี๋ยวก็คนอันั้นอันนี้ น, น, นนะที่นี่เอกความสงบมันอยู่ตรงไหนนะทั้งทั้งที่เราหาความสงบมันก็รู้อยู่ในเรื่องของโลกเนี่ยมันไม่ต้องไปพูดมันก็รู้กันอยู่แล้วนะ่ะแต่ว่าเราหาความสงบอันที่มันจะเกิดขึ้นเพราะการกระทําของเราซึ่งเราได้พากันมากระทํา เราต้องการเท่านั้นนะคือไม่ต้องการอะไรหรอกที่มาแสดงธรรมจยไม่ต้องการอะไรต้องการอยากให้พวกท่านทั้งหลายนะ่ะมีความสงบถ้ามันมีความสงบละ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากความสงบนั้นลนะ่ะถ้ามันไม่มีความสุขจะพาเลิกว่ะจะไม่เนีจ่จะไม่จะทำอีกหรอก ถ้าสงบแล้วมันไม่สุขอะไรเลยมันไม่มีดีอะไรเลยจะไม่พาทำแล้วก็จะไม่บอกอีกด้วยเราต้องการให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะให้เข้าไปสู่ระบบความความสงบแล้วก็ยังความสุขให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอันความเป็นอยู่ของตัวเองกันเสียบ้าง แล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์สมกับว่าเราที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาพุทธอันที่เราควรปฏิบัติที่จะยังให้เกิดขึ้นอันประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้นจากเราที่เราต้องการเนี่ย ต้องการเนี่มันเกิดอย่างนี้เนะี่ยเมื่อเราต้องการเนี่ยมันเกิดอย่างนี้เราจะไปมัวอะไรละ่ะไปเมาอะไรละ่ะเอาให้มันได้ในเดี๋ยวนี้มันผิดใครละ่ะมันไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้ถูกทั้งนั้นนะ เราเอาเลยไม่มีใครว่ามีแต่คนเขาจะยกย่องสรรเสริญมีแต่เขาจะมีมีปติยินดีด้วยถ้าเราได้ได้ความสงบะนะเพราะอย่างอื่นไม่ต้องการ อย่างอื่นเขาพอแล้วความรู้เรามีแล้วในตำรา่ะในตู้พระไตรปิฎกไปคนเถอะอยากได้เน่ยความรู้นมันเยอะแยะแม่แต่ว่าลงบาลีเขาก็มีอยู่ในนันมอดจะแปลยังไงอะไรยังไงอยู่นนมอดอ่ะไปเอาเถอะเขามีพร้อมอย่ามาถามเถอะเราต้องการที่จะให้สงบพอความรู้เนี่ยมันเราไม่จําเป็นที่จะสอนพวกท่านหรอกมันรู้อ่ะ มีอย่างเดียวคือจะนำพาที่จะเข้าไปสู่หลักแห่งแห่งความสงบเลยแล้วความรู้อันที่มันจะเกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะเหมือนกันไหมกับที่มันมีอยู่ในตู้พระใจพี่ดงกับจิตของเรามันจะเหมือนกันไหมเนี่ยอยากจะให้ทราบตรงนี้สนานั้นอยากจะให้รู้ตรงนี้น่แล้วมันจะเป็นอะไรแล้วคุณค่าของมันจะเป็นอย่างไง ก็อยากจะให้รู้นี่ยนะจึงได้นำพานี่ยจึงได้ชี้เนื้ยจึงได้บอกวิธีการกระทำไม่ใช่ว่าจะมาให้ทําภายนอกแล้วให้เดินตรงนั้นให้เดินตรงนี้ให้ทาอานู้นให้ทำมา น, น, น, น, นี่ก็ไม่เอาทํามาจนพอแล้วสวดก็สวดจนพอแล้วปากก็จนแฉ่ จะยังอยู่เท่านั้นนะก็ได้อยู่อ น, นิสงส์ข้างหน้านะแต่จะเมื่อไรเท่านั้นละ่ะอา น, นิสงสนะ์น่และแต่เราต้องการปัจจุบันนี่ยต้องการความสงบฉุกในปัจจุบันที่เราต้องการอยากให้ได้ตรงนี้แหละแล้วจึงจะสมกับว่าเราชาวพุทธ ต่พุท ธ, ธกะก็แฟว่าผู้รู้เนี่ก็ต้องรู้ในความสงบบางซี่ละ่ะก็รู้ความดีอันที่เกิดขึ้นจากพุทธบางซี่ละ่ะหีจะไปรู้อะไรหรือใดแ ต, แต่ว่าพุท ธ, ธกะกาแฟว่าผู้รู้ก็จะรู้ไปเลยเลยจะเอาแต่แค่นั้นหรพุทธะผู้เบิกบานก็จะเอาเบิกบานไปเลยเสืออะไรเบริกบานที่นี่เราก็หาในรู้ใหม่ ทั้งที่ใจของเราที่จะฟุ้งเฟอ้อทั้งที่ใจของเราขุ่นมัวทั้งที่ใจของเราเศร้าหมองทั้งที่ใจของเรามันเหี่ยวแห้เราก็ยังหาได้จิตไม่ที่จะมาปรปับปรุงจิตใจของเราที่จะให้มีความสดชื่นเนีลยสดชื่นเพื่อจะให้มีความรู้และความสดใสอันที่มันเกิดขึ้นภายในความสงบนั้นเราไม่ได้พากันคิดหาเลย มีจะหาคันหาข้างนอกว่ะมีจะหาสำนักว่ะไม่รู้ว่าเจ้อาสำนักไหนแน่เดี๋ยวเดียเนี่ยออกจากสำนักนี่ก็จะไปสำนักอื่นอีกอ่ะที่นี่สำนักไหนมันแน่ที่มันได้ประโยชน์กันแน่มันก็อยู่เท่าเดิม ให้มันแน่นอนบ้างซิเลยสมกับว่าชีวิตของเราที่มันหมดไปหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วหมันเป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างมันจะไม่ดีกว่าหรือคิดไหมละ่ะชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนเราก็ทราบอยู่แล้วละ่ะถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาก็ตามไม่พิจารณาก็ตามไอ้ความไม่แน่นอนม่นมันมีอยู่แล้วละ่ะ ความเป็นอนิจจังมันแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็พิจรารณาก็ตามไม่พิจรารณาก็ตามมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่โดยธรรมชาติแลนะ้รู้แล้วว่ามันแน่นอนแล้วนะ่มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วนะ่หาที่พึ่งอันตัวเองที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาตินั้น ที่พึ่งอันประเสริฐสุดก็คือความสงบสุขอะไรจะเหนือนจากความสงบสุขก็ไปหาเถอะใครจะว่าจิตสุขก็ขอให้มันจิตมาเถอะขอให้สุขมาติดมาก ๆ, ๆเถอะใครจะว่าจิตสงบก็ขอให้มีความสงบมาติดมากๆแต่ะกลัวอย่างเดียวคือไม่ติดมันไม่มีอะไรติดนั่นน่ะเดี๋ยวนี้จิตแต่ดดตำรา แล้วก็พากันวิ่งหาแล้วก็คอยถามแต่กันถามแล้วแทนที่จะได้อะไรมันก็ไม่ได้จะได้แต่แค่ถามทั้งทั้งที่รู้อยู่นะแต่ก็ถามก็ไม่รู้จะถามเอาอะไรจริงแทนที่จะนำความสงบเข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจของตัวเองเสีย เมื่อความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองแล้วเนะ่อเรื่องของความสงสัยล่ะมันหายของมันเองแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปถามเลนถามทำไมมันวะก็มันรู้แล้วเนี่ยนะมันมีความสงบในตัวเองมันมีความสุขในตัวเองแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะไปถามมออะไร ว่าบุญอยู่ตรงไหนแล้วบาปอยู่ตรงไหนอย่างเนี้อ่ะก็มันเห็นแล้วเนี่ยถ้ามันมีความสงบมันก็มีความสุขก็ความสุขนั้นแหละก็เป็นชื่อของบุญแล้วก็เป็นตัวของบุญเนี่ยแล้วจะ ไ, ไปถามใครอีกสิ่งเนี่ยความทุกข์ที่มันผ่านมาน่ะมันมีสับสนกันน่ะทุกข์บ้างสุขบ้างนั่นน่ะนั่นน่ะมันบาปมันก็ตัวทุกข์นั่น นี่มันก็นรู้ละพอมันรู้อย่างนี้แหะไปถามอะไรใครนะที่นี่จะไปเอาบาลีไปถามเนะี่ยที่ไม่ได้ศึกษาบาลีมาเราจะไปแกน ไ, ไปแปงได้ยังไงล่ะเรอหลักธรรมะกับที่ตัวเองไวยดูมาเน่ก็รู้มาแล้วเนะ่ะ แล้วจะมาถามเพื่อจะให้ตอบไปอีกกต่ทั้งๆ ท, ที่มันรู้มาแล้วก็ตอบไปแล้วเราได้ฟังการตอบแล้วมันได้อะไรที่นี่นความสุขแทนที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราตอบกันมันก็ไม่มีอีกละก็ได้แต่เพียงว่าเข้าใจว่าเออรู้แค่นี้เนาะถ้ารู้ไปถึงตัวเองกันก็มักจะทำหนีในใจอีก นี่มันไปกันทํานองนั้นนะแล้วก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาอีกอนะ่ะถ้าเรารู้แล้วเข้าใจแล้วสันติภายในนั้นนะ่ะให้ทํากันให้มากสันติภายนอกกายของเราก็ไม่ต้องทําอะไรวาจาเราก็ไม่พูดอะไรเราก็ทําได้ นี่เรียกว่าสันติภายนอกแต่ผลลัพธ์มันก็เป็นแดยเพียงว่าได้สงบกันเฉยๆสงบภายนอกเฉยๆแต่ภายในมันยังวุ่นถ้าสันติภายในให้สันติด้วยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสันติด้วยพุทโธ พุทโธนั้นอย่าอยู่ข้างนอกพุทโธนั้นให้อยู่ในในไหนละ่ะก็ในสำนักของตัวเองละ่ะสำนักสมาธตัวเองละ่ะสำนักสมาธตัวเองมันอยู่ตรงไหนละ่ะก็อยู่ในถ้ำกลางหน้าอกนาะพออยู่ในสำนักสมาธ ก็มาฐานของตัวเองแล้วยอยู่ข้างในแล้วก็สำนักวิปัสสนาเราอยู่ไหนล่ะนั่นก็อยู่ในนั้นนะั่ะก็อยู่ด้วยกันนะั่นอย่าไปเอาป่ามาเป็นสำนักตัวมันยุ่งกันมันแย่งกันมันอวดกันเดี๋ยวนี้จะไปเอาสำนักในป่าเน่ะเอาป่ามาเป็นสำนักมันยาก แผ่นดินเขาก็ห่วงมันก็แคบเข้าไปแล้วป่าเขาก็ห่วงแล้วก็ไปเอาแต่ป่าเขามาเป็นสำนักก็ไปเอาแต่ดินของเขามาเป็นสำนักพอตั้งไ้แล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรสำนักมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นเท่าไหร่นักแต่สมถะไม่รู้มันอยู่ที่ไหนวิปัสสนาไม่รู้มันอยู่ที่ไหนก็มีแต่สำนัก นี่เป็นสำนับนอกแต่ส่วนสำนักในนี่มันอยู่ตลอดนี่ทุกระยะลมหายใจเข้าทุกระยะลมหายใจออกหายใจออกก็อยู่นี่แหละหายใจเข้ามันก็อยู่นี่อยู่ในสำนักเนี่ยเวลามันสงบไปแล้วมันาวางมันเองเนอะมันวางลมเหมือนกับว่าไม่หายใจนี่ก็มี ก็มี Montreal, แม้จะพุทโธมันก็นหายแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันลืมลืมคาบริกรรมแล้วก็กลับคืนมาตั้งใหมก่ก็อย่าไปทำแบบนั้นนะถ้าทาแบบนั้นก็เรียกว่าตั้งอยู่แล้วไม่เป็นไม่ไปหน้าไม่มาหลังเคยก็อยู่แต่อย่างนั้นนะอยู่ก็ลมมันก็อยู่ก็ลมอย่างนั้นนะอยู่ก็บริกรรมอยู่ก็บริกรรมอย่างนั้นนะ เวลามันได้ผลขึ้นมาเวลามันสงบลงมามันจะลงไปสู่ฐานที่ตั้งของเขาแล้วก็ไม่ยอมรับเอาเดอกรองก็เลยทําอยู่ของเก่าแตอยู่แค่ปลายจมูกตับบริกรรมก็อยู่แค่นั้นนะที่ลอยนั้นไปนะ่ะมันมีอะไรบ้างลอยลมไปนั้น เลยคำบริกรรมไปนั้นมันมีอะไรบ้างก็ไม่ได้พากันสำนึกอะไรเลยไม่ได้พากันคิดอะไรเลยก็ได้ใจเพียงว่าแค่นั้นก็แล้วก็แล้วกันไปแล้วกำหนดแค่นั้นก็แล้วก็แล้วกันไปแล้วเวลามันจะสงบเอากระดึงขึ้นมาอีกก็มาตั้งอยู่แค่ไปจมูกของตัวเองถูกแล้วไม่เป็นเดือนนี้ก็ทั้งเดือน เดือนหน้าก่อทั้งเดือนเอาไปมาก็ได้ปีทั้งปีปีหน้าก็อของเก่าอีกกิดไม่รู้ว่าจะไปไหนมาไหนยอกลงก็มาวุ่นอยู่กับเขานี่แหละวุ่นอยู่กับโลกนะไอ้โลกเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดต่อไอ้เรื่องวุ่นนะแล้วเราจะไปปราบเขาเราจะไปห้ามเขาอย่าไปคิด ห้ามคิดบาปคิดอะไรเขาเลยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องทำห้เขาทำไปเราก็รอดสอบเขาไปนั้นละความสงบก็รอดเขาไปนั้นละอยู่ก็เขาไปนั้นละสงบอยู่ในนั้นนะสุขมันก็สุขอยู่ในนั้นนี่เขาเรียกว่าสุขในศีลในธรรมแต่สุขมีคุณค่าชีวิตมันมีคุณค่า เมื่อเวลานั้นเมื่อเวลาอานิจจังแก่จเจ็บใจมาถึงแล้วนนั้นมันมีคุณค่าคุณค่ามันไปดีตรงนั้นนะมันไม่ได้เสียเ่ยมันไม่ได้ขาดทุนมันมีแต่กำไร ชีวิตมีแต่กำไรกำไรในศิลในธรรมเนี่ยกำไรในบุญในกุศลกาไรกำไรในธรรมะกำไรในศาสนามันไปนดีตรงนั้นนะจึงอยากให้เราชาวพุทธทั้งหลายนี่แหละให้ยืดอยู่โดยดความสงบ แล้วก็ให้นั่งอยู่ในความสงบให้เดินอยู่ในความสงบนอนอยู่ในความสงบเถอะชีวิตของเราทั้งหลายจึงจะมีคุณค่าสมกับว่าเราเป็นสาวพุทธสมกับพุทธศาสนามาถึงเราแล้วและเราก็มาถึงแล้วยังไงจะให้ได้ก็รีบเอาเถอะเดี๋ยวต่อไปนี่จะลำบากนะ ใครเราจะเป็นเป็นเป็นผู้มาพาเราทำใครเราจะมาพูดให้เราฟังพวกเราคู่กันเองมันฟังกันหรือเปล่านะมันไม่ได้ฟังกันนะคิดเอาหน่อยนะถ้าพอจะได้ก็ให้มันได้ซะนะพอจะดีก็ให้มันดีซะนะพอจะแน่นอนก็มันแน่นอนซะนะไปข้างหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ย มันไม่มีอะไรแน่นอนนะการเปลี่ยนแปลงแปลผันเนี่ยสภาพต่างๆเนะี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเนะ่ะส่วนความเป็นจริงอันที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเองเนะี่ยซึ่งมันมีของจริงอยู่เนะี่ยแทนที่มันจะได้เนะี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็ได้นะ มันก็เนื่องมาจากคนนั่นแหะก็เพราะความคิดของคนนะ่ะมันหลายคิดมันคิดไปได้สารพัดแต่ความหลับความดีน่น่ะมันจะดีเหมือนความคิดหรือไม่มันก็อีกประเด็นหนึ่งนะเราต้องเข้าใจนะ่ะ ความดีทั้งหลายเนี่ยมันจะสู้ความสงบเนี่ยมันหายากสู้ความสุขอันที่มันเกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยมันหายากมันไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบหรอกอันที่เขาว่าติดสุขติดสงบนี่นะให้มันติดเถอะให้มันมีมาเถอะที่เขาว่าหลงเนี่ยนะให้มันมีมาเถอะ กัวอย่างเดียวคือมันไม่มีนี่มันเลยมายากเลยมาคิดขาดหมายไว้ก่อนหาว่ามันเป็นโทษทั้งทั้งที่มันเป็นประโยชน์ ท, ทั้งทั้งที่มันเป็นสุข ท, ทั้งทั้งที่มันเป็นของที่ควรจะให้เกิดให้มีขึ้นก็เลยไปโทษมันซะ ทีนี้ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายภาว น, นากัภาว น, นาฟังทรรแเราก็ฟังผ่านมาเป็นปีๆก็ไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วก็ผ่านมาแล้วความสมบูรณ์พูลผลของธรรมะ กับจิตของเรามันอยู่ตรงไห น, นปีนี้ก็จวนแจไปแล้วเนี่ยจะสิ้นปีไปแล้วเนี่ยก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ชีวิตของเราล่ะมันยังอยู่ตามเดิมหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ตามเดิมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามปีตามเดือนที่นี้ผลลัพธ์ของเรามันสมบูรณ์ในอย่าง ที่เราพากันกระทั่มมาอันนี้ก็เป็นข้อคิดขอฝากความคิดเอาไว้ให้เราทำทังไยไปพิจารณาด้วยตนเองรู้แล้วมันไม่แน่นอนละ่ะรู้ว่าไม่แน่นอนจะทำยังไงละ่ะก็อะไรเป็นที่พึ่ง คือบุญกุศลเป็นที่พึ่งบุญกุศลจะเกิดขึ้นจากอะไรก็อนเจริญสมถะกรรมาฐานนาิพพานกรรมฐานซะก่อนเอาอย่างอ่อนๆซะก่อนเอาพอความสงบมันเกิดขึ้นพอเป็นบุญเป็นกุศลก่อนแล้วจึงค่อยไต่ขึ้นไปเป็นระยะระยะค่อยฝึกให้มันแจ้งก้ า, กาขึ้นเป็นลำดับลำดับขึ้น สมถะมันก็แก่กล้ามันก็แนนอนขึ้นแล้ววิปัสสนามันก็สดใสขึ้นและมันก็ดีขึ้นมันต่อกันไปนะสมถะเป็นเหตุนะวิปัสสนามันเป็นผลนะถ้าไม่มีสมถละล่ะจะวิปัสสนามาจากไหนจะเอาแต่ความคิดอย่างเดียวเนะี่ยมันก็ได้แต่ความคิดนะก็หาว่ามันบุ่นวาย เพราะฉะนั้นมันจึงมาจากสมถะคือต้นเหตุแล้วเอาผลมันจะเกิดขึ้นก็คือวิปัสสนาก็เราก็พิจารณากันบ้างสิอันนี้เอาไปอ่านเอาเอานี่ไปพิจารณาเอาไปค่อยๆควรดูเอาอย่าไปถามแต่คนอื่นอยา้แต่คนอื่นเขาตอบตัวเองตอบตัวเองตัวเองถามตัวเองตอบตัวเองมั่งรู้เลยตัวเองบั่ง จึงได้เรียกว่าพัจจ้ตังหัดรู้เฉพาะตนบ้างว้ยเมื่อไรเราจะรู้เฉพาะตนล่ะตกลงกห็หาความรู้เฉพาะตนไม่มีได้แต่แค่สวดทั้งสวดเนี่ยเจงนักนะแต่ว่าส่วนที่จะเป็นไปตามสวดมันอยู่ตรงไหนนี่ เราก็ควรจะคิดกันบ้างเนี่ยสำนึกกันบ้างตามสติและปัญญาของตัวเองเท่าที่ตัวเองจะมีสติปัญญารู้เท่าเอาทันแล้วก็จะได้แก้ปัญหาในเมื่อบั้นปลายแห่งท้ยชีวิตของตัวเองมาถึงแล้วเราก็จะได้หอบพิ้วเอาสิ่งเหล่านั้นไป เราจะเอาอะไรไม่ได้หรอกโลกนี้มันเอาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละท่านทั้งหลายนะ่ะที่ได้ฟังมาเนี่ยและที่ได้นำมาเล่าให้ฟังที่นำมาให้คำแนะนำในทางปฏิบัติก็พอที่จะเป็นที่เข้าใจคือพูดกันอย่างง่ายๆ ไม่ต้องไปพูดกันแบบลำบากพูดกันแบบง่ายๆว่ามันอยู่กับตัวเราก็ง่ายๆนี่หละของง่ายๆเนี่ยมันทํำย า, ยากๆกันเล ย, เลยแต่ว่าของยากแต่มันอยากไปทําแต่ของง่ายมันไม่อยากทํานี่นี่ให้เราคิดเอาตรงนี้แหละพอเรารู้ว่ามันมีอยู่กับตัวเราอย่างนี้เราจะทิ้งตัวเราไปโดยไรเหตุผลเหรอ ข้นี้ก็ให้พากันพินิษพิจารณาด้วยตนเองเพราะฉะนั้นละ่ะการแสดงมาก็สมควรแก่กระเวลาจึงขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอว่างก็มีด้วยเป็การละชนนี้